เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจกเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหรคนชอบเล่าคลิปนี้เรามาฟังนิทานกันหน่อยนะครับเป็นนิทานที่มีการอ้างอิงซึ่งพอผมได้อ่านแล้วมันเป็นนิทานสั้นๆแต่ก็แฝงไว้ด้วยแง่คิดที่ดีขอเชิญรับฟังครับในกรุงโตเกียวสมัยที่เพิ่งผ่านไปไม่ถึงร100อยปีมานี้ มีพระภิกษุทรงวิทยาคุณที่เป็นเจ้าของเรื่องราวที่พิสดารทําอะไรอะไรไว้อื้อเฉาหลายอย่างคล้ายหลวงพ่อตัวในเมืองไทยสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราท่านผู้นี้มีนามว่าหลวงพ่อตันสันหลวงพ่อตันสันมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนสมัยใหม่มากมายเพระท่านทรงความรู้สูงและมีคุณธรรมท่านบรรยายวิชาปรัชญาในมหาวิทยายลัยอิมพีเรียนยุคนั้นวิชาวความรู้ทุกอย่างที่ท่านถ่ายทอดเผยแพร่ล้วนเกิดจากการเข้าถึงธรรม ท่านใช้ความแตกฉานในคัมภีต้นตำรับมาประยุกต์เข้ากับวิชาการในสมัยใหม่จึงแพร่พระธรรมได้เป็นอย่างดีในเวลานั้นแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านชวนเพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่งออกเดินที่ดงไปด้วยกันพระรูปนี้มีนามว่าเอกิโดท่านเอกิโดผู้นี้มีความรู้ดีและเคร่งครัดหยุมหยิมในระเบียบแบบแผนฉะนั้นจึงมากไปด้วยวิตกกังขาที่ต้องหมัวมาระแวดระวังเรื่องอะไรอะไระไรปรเสียทุกอย่างที่เกี่ยวกับความผิดความถูกต้อง อาจารย์ตันซันก็มองเห็นเครื่องกลางกั้นใจของเพื่อนซาทธธ ร, รมิกรูปนี้เหมือนกันท่านรู้ดีว่าความรู้อันมากมายที่ยังไม่เป็นประโยชน์แกด่ดวงจิตวิญญาณของเพื่อนผู้หนี้มันเนื่องมาจากอะไรท่านขอยช่องจะแก้ไขอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาอันควรระหว่างเดินทางมาถึงกลางป่าในวันหนึ่งทั้งสองคนเดินมาตามทางเดินท่ามกลางบรรยากาศกลางป่าอันชุ่มฉืนเย็นสบายเพราะฝนเพิ่งจะตกหนักใหญ่ไปเมื่อสักครู่ก็เดินกันไปสนทนาทรรกันไป กระทั่งเดินมาถึงตอนลาดต่ำแห่งหนึ่งตรงบริเวณนั้นมีโคลนเฉาแฉะที่ยังไม่แห้งเอ๊ะนั่นอะไรภิกษุทั้งสองก็เห็นหลังผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพยายามจะก้าวข้ามแต่ลักษณะก็ยังดูเก้ะๆแข็งๆเหมือนว่าจะข้ามตรงที่แฉะนั้นไม่ได้เพราะว่าเธอผู้นั้นก็ดูแต่งตัวออกจากภูมิฐานสมกิโมโน ท, ทำได้ใหม่และเครื่องคราเต็มยศหน้าตาก็ดูดีท่านเอกิโดต้องมองด้วยความสนใจแล้วก็ก่อนที่ท่านเอกิโดจะทันได้แปลกใจด้วยซ้ำว่าทำไมกลางป่าอย่างนี้ ถไม่มีผู้หญิงเอวบางร่างน้อยมาปรากฏให้เห็นอยู่เช่นนั้นสำยังแต่งตัวก็ดูไม่ถูกกับการล่เทศะซะด้วยสีกาผู้นี้เป็นใครกันหนาะเฉยๆก้าวข้ามได้ไม่นั่นระหว่างที่กำลังเพ่งพิษไปที่นางกลางไพรคนนั้นท่านเอกิโดก็ต้องถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างไม่เห็นท่านตันซันเพื่อนที่มาด้วยกันเดินก้าวสวบๆล่วงหน้าไปอาสาอุ้มหญิงสาวคนนั้นข้ามตรงที่แฉะหญิงสาวท่าทางเ e อียงอายแต่สุดท้ายแล้วก็ยอมให้ช่วยเหลือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดำเนินไปชั่วครู่เดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเป็นไปตามธรรมดาทุกอย่างเป็นปกติก็คือสหายร่วมเดินทุงดงทั้งสองนั้นก็คงเดินทางต่อไปเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่แปลกไปก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีใครปริ ป, ปากพูดจาการเหมือนก่อนหน้านี้ภายในใจของคนเหล่านั้นเมื่อเงียบกันไปก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใจใครจะคิดหวาดวุ่นไปอย่างไรและด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งสองรูปคงเงียบกันไปตลอดทาง จนไม่ถึงเวลาที่ต้องหยุดพักในตอนค่าวันนั้นพอจัดเตรียมเรื่องที่หลับที่นอนพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความอัดอั้นตันใจของท่านเอกิโดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าทําไมหนอสหายธรรมิกของเรารูปนี้ถึงได้กล้าทํายิ่งนั้นเขาไม่รู้จักการวางตัวหรืออย่างไรไม่รู้หรือว่าข้อใดควรปฏิบัติและข้อใดไม่ควรแล้วเราก็กําลังทืด่งด้วยกันอยู่ทําไมถึงได้ทําเช่นนี้ไม่ได้แล้วเราควรจะต้องพูด ไวเท่ากับความคิดเสียงบ่นพร่ำของท่านอิกิโดก็หลุดออกจากปากออกมาหลังจากได้กลั้นใจไม่เลิีปากอะไรมาเกือบครึ่งวันท่านผู้ที่ความลำบากใจแต่กุกตะกักไม่เต็มเสียงในเชิงตัดผอท่านตันซันว่าพวกเราเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วไม่ต้องเข้าใกล้ผู้หญิงจะดีกว่ายิ่งเป็นหญิงสาวสวยเสียด้วยมันหญิงจะเป็นอันตรายแกพวกเราท่านทําไมไปทําอย่างนั้นก็ไม่รู้อาจารย์ตันซันจึงเอ่ยทักขึ้นว่า ผมวางเด็กนั้นที่ตรงนั้นตั้งแต่เมือกลางวันแล้วท่านเด็กจะมาเทีวแบกไว้อีกหรือถ้อยคำย้อนให้โดยท่านเกเหตุเพียงเท่านี้ผมก็คือทำให้ท่านเกอิโดโผลงจำแจ้งขึ้นมาทันทีตัวท่านเองโดยทางร่างกายท่านได้ข้ามเปลือกตมที่ชื้นจะตรงนั้นมาเมาื่อตอนกลางวันวันนี้แต่โดยทางจิตท่านเพิ่งเมือก้าวข้ามเปลือกตมกลางกั้นเรื่องจุกจิกหัวใจได้ณนะตรงที่ภาพเว ล, ลากลางคืนคืนนี้เองและวนิทานเรื่องนี้ก็จบลงจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ เห็นว่าท้องเรื่องค่อนข้างจะพลื้อเกิดเกลแล้วก็ขัดต่อความรู้สึกสำนึกคิดของพุทธบริษัทท่านอาจารย์หลวงพ่อตันสัน ร, รูปนี้มีตัวตนอยู่จริงๆท่านบรณภาพเมื่อบันที่2 7กรกฎาคมพุทธศักราช2435นี่เองที่ได้ทราบวันตายของท่านแน่นอนก็เพราะว่าท่านได้เขียนประศนียบตัตรไว้ถึงถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เคารพท่านจานวน60ฉบับข้อความในประศนียบตัตร เขียนลงวันที่ตรงตามวันที่ท่านมรณาภาพใจความเหมือนกันหมดทั้ง60ฉบับว่าฉันจากละโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นวาจามียในครั้งสุดท้ายของฉันลงชื่อตันสันแล้วลงันกำกับตรงกันทุกฉบับตามประวัติท่านก็ได้มรณาภาพวันนั้นจริงๆเป็นที่ตื่นเต้นกับผู้ที่ได้พบเห็นและกิตติศัพท์เ ป, ปรเรื่องลือไปมากหลังจากที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ทําอะไรอะไรเป็นปริศนาไว้แต่ในเวลานั้นไม่มีใครสนใจนับถือท่านในฐานะเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่สามารถสอนในมหาวิทยาลัยได้เท่านั้นโดยมากรุมกันนับถือก็นึงด้วยเห็นคนชนชั้นสูงที่มีการศึกษาขนนับถือกันไม่ได้ใส่ใจว่านอกจากท่านจะแตกฉานทางด้านปรัชญาแล้วท่านก็ยังทรงวิทยาคุณซึ่งคนสมัยใหม่มักจะเห็นว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อคนคนเดียวมีทั้งริษธนุภาพ มีทั้งปฏิสัมพิธาเช่นเนรมิดหญิงสาวขึ้นมาเพื่อโปรโดใครคนหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลที่กรุงโตเกียวได้รับภาระเป็นศาสตราจารย์ในวิชาปรชาัชญาสอนลูกศิษย์ลูหาด้วยหลักวิชาการสมัยใหม่มามากต่อมากแล้วทีนี้ก็มาถึงลักษณะคําคมที่เหมือนดังลูกสอนธนูเข้าเป้าได้พอเหมาะพอเจาะในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งจิตใจยังไม่ว่าง เพราะว่าจิตใจนั้นกําลังเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีธรรมดาผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปนําอามาบทเขี้ยวเอื้องไมา่รู้จักสิ้นสุดพอท่านเอกิโดกันบังจิตวุน่นสำสมไม่ยังหนักแน่นแปรที่สุดถึงกับต้องเอ่ยปากขึ้นถามท่านอาจารย์ตันสันนั้นก็ช่วยจับจังหวะเหมาะได้ทันทีรู้ว่าจิตของเพื่อนนั้นกําลังเต็มอัดอยู่ด้วยเรื่องจุกจิกความคิดปรุงแต่งมูเต้าผัวงเอาเธอเรืที่คุณจะขาดไปจากสํานึกนานแล้ว ท่านอาจารย์ตันซันเลยทักเพื่อนให้รู้ตัวว่าผมได้วางหญิงสิทธิที่ตรงนั้นมนานานมาตั้งแต่เมื่อกลางวันนี้แล้วท่านเองยังจะมัวมานั่งแบกความรู้สึกว่าหญิงสาวสวยคนนั้นหญิงสาวสวยคนนั้นอยู่ทำไมเรื่องนี้ช่างไปผงกับเรื่องราวในนทิทานฝ่ายเทราวาสของพวกเราที่เล่ากันว่ามีพระเทระรูปหนึ่งเป็นผู้ที่เคร่งครัดจัดในระเบียบวินยัยทั้งยังเป็นผู้มากไปด้วยความวิตกกังวลระแวดระวังหยุ่งยิมชนิดที่ถี่ลอตาช้างห่างลอตาเลน พระเถระรูปนี้แม่คานึงถึงเรื่องเศร้าหมงแล้วก็ลืมกลัวความที่จิตเกิดเศร้าหมงพี่บังเอิญไปทําต้นตะไคร้หนาหลุดถอนจากตะลิงตัวเองก็กลับนําเอามาเก็บไว้ในใจปล่อยให้ใจเศร้าหมงไปยึดติดอยู่แต่ว่าตัวเองทําผิดวินยัยแล้วก็ยึดติดกับความรู้สึกนี้ไปจนตายเมื่อตายไปแล้วก็จะรับผลกรรมที่ตัวเองผูกเอาไว้ผิดกับเรื่องที่เล่าข้างต้นนี้อยู่หน่อยนึ่งก็คือว่าไม่มีใครไปช่วยพระเถระรูปนั้นไว้ได้ก่อนที่จะตายนี่ก็คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น ราวใดหากใครมีความรู้สึกว่ามีถูกมีผิดขึ้นจริงๆด้วยการยึดถือแน่แก่ใจแล้วคราวนั้นแหละเพิ่งรู้ไว้เด็ดว่าจิตของตนยังไม่ได้ออกจะ บ, บ่วงบาตอันเหนียวแน่นของอุปท า, านความจริงที่มันมีอยู่อย่างไม่เคยเปลี่ยนก็คือจิตมันจะหลุดผลจากเครื่องพัฒนาการหรือไม่กำลังอยู่ในขณะแห่งการผัวพันกับโลกียารมณ์เท่านั้นเองครับและบทสรุปเพื่อจบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับแนวความคิดในการดำเนิชีวิต